และลาการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกระท่อมใกล้แม่น้ำอยู่ที่หนึ่งมีชายรับเจ้าสักผ้าอาศัยอยู่กับม้าและลาของเขาวันนี้ซึ่งเป็นวันที่ยาวนานฉันล่นเหนื่อยมากเลยนายเหนื่อยอะไรเล่าฉันเป็นคนแบกน้ําหนักทั้งหมดเนอะนายแค่แบกเจ้านายไม่เอานะ เลอกบนแล้วก็ไปนอนซะฝันดีนะสิ่งที่ลาพูดเป็นเรื่องจริงทุกเช้าชายรับจ้างซักผ้าจะไปนำผ้าจากหมู่บ้านข้างๆและนำกลับมาซักรีเมื่อเขาต้องไปไกลเขาจะขี่มา้าและวางผ้ากองโตวไว้บนหลังลาลามีชีวิตที่ยากลำบาก วันนี้มีผ้าให้ซักไหมครับโอ้โหดีนะที่นายมาน้องชายฉันมากับภรรยาและลูกๆของเขาเมื่อวานนี้มีเสื้อผ้ามากมายที่ต้องซักเออไม่มีปัญหาครับผมจะทำให้เสร็จภายในวันพรุ่งนี้ขอบคุณนะเออมีผ้าให้ซักไหมครับคุณผู้หญิง เฮนรี Henry, ลานของฉันมาในช่วงวันหยุดนะพวกเขาเล่นทั้งวันและเสื้อผ้าของเขาก็สกรปรกมากฉันจะบอกว่านายน่ะมีเสื้อผ้าเยอะมากที่จะต้องซกักกันนะไม่ต้องห่วงครับคุณผู้หญิงผมจะทำให้เสร็จภายในวันพรุ่งนี้ <c oughs> มีผ้าให้ซักไหมครับคุณผู้หญิง ไปบางส่วนแล้วแ่ละเมื่อวานนี้นะแต่ผ้าม่านฉันต้องซักนะนายทำให้เสร็จพรุ่งนี้ได้ไหมไม่มีปัญหาครับคุณผู้หญิงผมจะทำให้เสร็จภายในวันพรุ่งนี้แล้วชายรับจ้างก็ต้องทำต่อไปเรื่อยเก็บผ้าที่ต้องซักวันนี้ดูเหมือนว่าทุกคนจะมีแขกหรืองานเลี้ยงและการทำความสะอาดเขาใส่ผ้าทั้งหมดบนหลังของลา มีถุงผ้ามากมายวันนี้ฉันไม่รู้ว่าจะวางให้สมดุลยังไงบนหลังของสัตว์ที่น่าสงสารฉันต้องเดินข้างลาเพื่อที่จะได้ดูให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรหล่นกลางทางแทนที่เขาจะขีม่ม้าเขาเดินไปกับลาลาที่น่าสงสารเดินอย่างลาบากน้ำหนักมันหนักมากลากลัวที่จะลม้มอากาศร้อนขึ้น และชายรับเช้าสักพาก็เหนื่อยพระเจ้าวันนี้ร้อนมากเลยและการเดินก็ทำให้ฉันเหนื่อยมากมันเป็นวันที่ยาวมากเรามีงานต้องทำอีกเยอะแต่ว่าเราต้องพักก่อนแล้วล่ะ ไ ม, ม, ม่อะไรเหรอได้โปรดละวันนี้น้ําหนักหนักมากเลยฉันรู้สึกว่าหลังของฉันจะหกักเนอะเออได้โปรดช่วยฉันแบกหน่อยได้ไหมวันนี้เจ้านายไม่ได้ขี่นายนี่นาเอาน้ําหนักนี่ไปหน่อยนะนายน่าจะช่วยได้ใช่ไหมไม่มีทางหน้าที่ของฉันก็คือแบกเจ้านายหน้าที่ของนายก็คือแบกน้ําหนักความเจ็บปวดเป็นเรื่องง่าย เพื่อนผู้น่าสงสารของฉันฉันขอโทษนะเพื่อนฉันไม่น่าใส่น้ำหนักบนตัวนายเยอะเกินไปทำไมฉันไม่ใส่บนตัวม้าบ้างฉันขอโทษ แต่ว่าฉันเข้าใจแล้วล่ะว่าเจ้าลาแกวันนี้ต้องได้พักแล้วฉันสมควรได้รับมาแล้วเพื่อถ้าฉันไม่เห็นแก่ตัวเราก็คงได้แบ่งน้ําหนักกันก่อนหน้านี้แล้วและฉันคงได้แบ่งแค่ครึ่งหนึ่งแต่ฉันนิสัยไม่ดีฉันสมควรได้แบ่งทั้งหมดคนเดียวเห็นไหมมันจะดีกว่าถ้าเราเนี่ยแบ่งน้าหนักกันนะ ช่วยเพื่อนของเราและทำงานไปด้วยกันจะไม่มีใครเป็นภาระและงานของเราก็จะเสร็จเร็วสุขแล้วก็สนุกด้วยลาขี้เกียจการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อค้าคนหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆ เ, เขาซื้อขายสินค้าหลายอย่างเพื่อเงินเขาเลี้ยงลาตัวหนึ่ง เขาเคยเอาของของเขาวางบนหลังของลาแล้วพามันไปที่ตลาดเพื่อขายของพอค้าดูแลลาของเขาอย่างดี mm hmm. เขารู้ว่าลานั้นสาคัญกับธุรกิจของเขามากลานั้นได้รับการดูแลอย่างดีและมีสุขภาพดีมันได้กินอาหาร ด, ดีมันอายุน้อยและมีกำลังมันขนสินค้าได้หลายถุงและเดินไปที่ตลาด แต่มันก็ขี้เกียจมากๆลานนั้นไม่ชอบทางานเลยมันแค่อยากจะกินนั่งและนอนโอ้ไปตลาดอีกแล้ววัวน้าทํามไม่พักบ้างนะเราชอบพันหยุดมากอแต่ว่าเขาไม่อยากจะพักผ่อนอะแต่ว่าฉันอยากแต่ลาไม่เข้าใจว่าเจ้า ข, ของของมันนั้นหยุดไม่ได้ ถ้าเขาไม่ไปตลาดเขาก็จะไม่มีรายได้และลาก็จะไม่ได้กินอาหารด้วยขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดเพราะค้าจะขายอะไรหลายอย่างต่างกันทุกๆุกวันมเมล็ดพืชท่านเยื่อพืชผักเครื่องเทศรวมไปถึงผลไม้เขาเคยพาลาเดินไปจากหมู่บ้านทุกวันแต่และ ว, วันเพื่อที่จะไปถึงตลาดเขาจะต้องข้ามแม่น้า เขาดูแลลาของเขาอย่างดีในขณะที่ข่าแม่น้ำวันหนึ่งเพื่อนของเขาคนหนึ่งบอกพ่อข่าวว่าตอนนี้ตลาดต้องการเกลือมากๆอ่าขอบคุณที่บอกกันะเพื่อนฉันจะต้องเริ่มขายเกลือแล้วะหลังจากนั้นเขาจัดหาเกลือมาได้สิบสองกระสอบเอาไว้ขายเขาเอากระสอบทั้ง6วางบนหลังลา หลังจากนั้นเขารู้ว่ากระสอบมันหนักเกินไปจนลาเดินไม่ได้อ๋อน่าสงสารไม่ไน่าจะหนักเกินไปนะเอาละทันเอาออกสักกระสอบดีกว่าคงจะช่วยได้เพราะเขาไม่อยากจะทําให้ลาหนักเกินไปเขาก็เลยเอาเกลือออกไปกระสอบหนึ่งถึงอย่างนั้นลาก็ยังไม่ยอมเดินทางพ่อค้าแค่ลาของเขามาก แต่เขารู้ด้วยวาลานั้นขี้เกียจเขาจะเอาไม้มาฟาดลงบนหลังของลาอ้เแล้วเข้าอย่าขี้เกียจนะไหนน่ะพักผ่อนมามากพอแล้วเราต้องไปที่ตลาดกันวันนั้นพ่อค้าขายเกลือได้ทั้งหมด โอ้เพื่อนเราพูดถูกเลยตอนนี้เกลือขายดีมากๆหลังจากนั้นเขาก็เริ่มขายเกลือทุกๆวันเขาจะเอาเกลือเติมเป็นกระสอบกระสอบและวางบนหลังลาลาจะต้องขนเกลือบ้างก็ห้ากระสอบบ้างก็หกระสอบไปที่ตลาดถึงแม้ว่ามันจะไม่พอใจ แตลานั้นจะชอบเสมอตอนที่กลับบ้านเพราะว่าตอนนี้พ่อค้าขายเกลือจนหมดแล้วลาก็ไม่ต้องขนอะไรกลับไป <c oughs> ไม่กี่วันผ่านไปวันหนึ่งพ่อค้าเอาเกลือ6 ก, กระสอบวางบนหลังลาและออกไปที่ตลาด <c oughs> เมื่อพวกเขาไปถึงแม่น้ำํำพ่อค้าเห็นว่าตอนนั้นน้ําสูงกว่าปกตินิดหน่อย เอาละวันนี้เราเดินทน่าไรนะฉันไม่อยากจะลื่นแล้วก็ไหลไปกับสายน้นําำเมื่อพวกเขาเดินผ่านแม่น้ําไปหลังจากนั้นเจ้าลาข้อลื่นล้มแล้วขาพับลงไปโอไม่นะโอพกเขาสา ม, มารถดึงลาขึ้นมาและข้ามแม่น้ําไปไนดะ้ลากลัวและตกใจมากๆ แต่หลังจากนั้นเขารู้สึกถึงอะไรบางอย่างโตหตายแล้วหลังน่ยังมีกระสอบอีกแต่ทำไมมาถึงเบานักเนี่ยดีเลยแม่น้ำนี้คมีอำนาจอ่ะดีมากดีมากลาไม่รู้ว่าแม่น้ำนั้นไม่มีพลังวิเศษอะไรหรอตอนที่มันลื่นลงไปในแม่น้ำมันทำให้เกลือที่หลังของเขาละลาย มันทำให้ลารู้สึกว่าหลังมันเบามากไม่มีเกลือเหลือในกระสอบอีกเลยโอยที่พยายามมาพังหมดเลยแล้วเราจะขายอะไรดีเนี่ยแต่นี้แล้วที่ลาไม่เป็นไรตอนนี้เราจะไปตลาดก็เท่านั้นนะนะก็บ้านดีกว่าเลยนะไม่ต้องกดของแล้วไม่ต้องทำงานแล้วเหรอ ห ล, หลังจากที่กลับบ้านไปลาก็มีเวลาทั้งวันให้พักผ่อนลามันกินและนอนทั้งวันทั้งคืนลามีความสุขมากวันถัดไปพ่อค้าก็เอาเกลือหกกระสอบใส่บนหลังอีกแล้วเดินไปที่ตลาด แต่มเมื่อวานนี้มันดีมากเลยวันนี้เราต้องกลับมาทำงานอีกแล้วพรเดี๋ยวนะเราโดนงานได้นน่แค่ทำให้เรือบนหลังเราหายไปเราก็จะได้กลับบ้านเหมือนเมื่อวานไงน้ำนน้นมีเวทมนต์มั่นใจว่ามันจะต้องช่วยเราได้อีกพ่อค้าไม่รู้เจตนาของหล่าเขาเริ่มเดินข้ามแม่น้ำอีกครั้ง และเมื่อเขาลงไปในแม่น้ำลามันรีบเดินหน้าก่อนแต่ก่อนที่ลาจะถูกยดยุมันก็ลงไปนังางในทุงเกลือ ท, ที่มันล้มลงโอ้ทำอะไรนะเจ้าโห่รีบขึ้นมาเลยแต่มันสายเกินไปแล้วเกลือบนหลังลาละลายอีกแล้วตอนนี้กระสอบไม่นักอีกต่อไปลารู้สึกมีความสุขนี่เงิไม่มีภาระไม่ต้องทำงาน ทีเกิดขึ้นได้ยังไงนี่ยไอเดี๋ยวนะเจ้าลานี่มาตั้งใจนั่งในแม่น้ำงั้นเหรโอ้มันเป็นสติขี้เกียดมากเราอุสาแ่มันแต่มันตอบแทนเราแบบนี้งั้นพามันกลับบ้านดีกว่ารู้แล้วว่าจะต้องทำยังไงลาคิดว่ามันเจอวิธีที่สมบูรณ์แบบในการอู้งานแต่พ่อค้ามีแผนอีกอย่างหนึ่ง เช้าวันถัดไปพ่อค้าเอากระสอบวางบนหลังลาแปดกระสอบแต่เจ้าลาไม่บ่นอะไรเลยโอ้แปดกระสอบแต่ทาไมเรารู้สึกไม่นักเลยเขาจะวางเกลือกี่กระสอบก็ตามใจยังไงเราก็ไม่ต้องไปตลาดอยู่แล้วโอสบายดีเลยพ่อค้าเดินไปที่แม่น้ําอย่างเงียบเงียบ นนนนในขณะที่ข้าแม่นนำมันก็ลื่นที่จุดเดิมอีกครั้งแล้วลงไปนั่งถึงอย่างนั้นวันนี้พ่อค้าไม่ช่วยมันขึ้นมาเมื่อลาพยายามจะลุกขึ้นหลังจากนั้นเอาไปหลังชนนี่มนเกิดอะไรขึ้นทำไมหลังเราถึงหนักมากเย้จังพ่อค้าฉลาดมาก เขารู้ว่าลาพยายามจะหลอกเขาอีกครั้งนี้แทนที่จะใส่เกลือลงไปในกระสอบเขาใส่ายลงไปเมื่อลาลงไปในน้ำายก็ดูดน้ำแล้วหนักขึ้นแกคิดว่าจะหลอกฉันได้เหรอตอนนี้แกต้องเดินไปตลาดแลวก็กลับบ้านกับกระสอบทั้ง8โอ้ไม่นะมันเหนักมาก ลลงลารู้ว่าน้ำนั้นไม่ได้มีเวทมนต์มันเอาฝ้ายแปดกระสอบไปที่ตลาดแล้วกลับบ้านหลังจากนั้นเป็นต้นไปลาก็ไม่กล้าที่จะน่งในน้ำอีก